ในชาวันนี้นั้นก็ขอให้พระพิสุสงฆ์สมณนแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงตั้งใจทำหน้าที่จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามเวลาพอสมควร ข อ, ขอให้ผู้ ป, ปฏิบัติธรรมจงเตรียมตัวที่จะทำสมาธิข อ, ขอให้ค่อยๆนั่งหลับตาลงค่อยๆดูไปที่กายของตนค่อยๆดูไปที่ใจของตน ให้รู้ถึงที่ไปที่มาของการเกิดอย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานว่าการเกิดคืออะไรอะไรคือการเกิดอะไรทำให้เกิดและสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดทุกเกิดโทษกัเราเช่นใดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราได้อะไรบ้าง ก็ให้น่งพิจารณาไปส่วนในเช้าวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความตายอ่าไม่ใช่ความตายความแก่ต่อจากเมื่อวานคันนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าความแก่ในที่นี้หมายถึงอะไร ถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาถ้าเป็นคนธรรมดาความแก่ในที่นี้ก็หมายถึงสังขารหมายถึงร่างกายของเรารับวันก็มีแต่ชรลาลงไปทุกวันทุกวันนับวันก็มีแต่เจ็บไปทุกวันทุกวันนั่นคือสังขารของเราเราก็นั่งพิจารณาว่าสังขารเรานี่เนอ มันมีอะไรดีบ้างสังขารเหล่านี้หนอเราจะประคับประคองมันได้ถึงไหนสังขารนี้หนอวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสังขารเราต้องเจ็บต้องปวดต้องทุกข์ทรมานขนาดไหนกลับไปสังขารเน่าๆกับกายเน่าๆของเราเนี่ยแล้วเราลองคิดดูว่า สิ่งที่เขาเรียกว่าความแก่เนี่ยมันยังทำให้ทรมานขนาดนี้เลยยังไม่ถึงเจ็บยังไม่ถึงตายนี่แค่แก่นะเพราะเราเริ่มคิดว่าเราเริ่มมีอายุมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีอายุมากขึ้นตามกับสังขารของเราเมื่อกายเรามีอายุมากขึ้นเนี่ย ขาทั้งสองข้างก็มีอายุเท่ากับกายเราแขนทั้งสองข้างก็มีอายุเท่ากับกายเราผมที่อยู่บนหัวก็มีอายุเท่ากับกายเราบางครั้งผมอาจจะเลยอายุของตัวเราไปก็ได้ก็มีเยอะแยะไปผมบนหัวมันก็เริ่มจากดำมันก็เริ่มขาวแล้วเพราะมันเป็นไปตามอายุเป็นไปตามความแก่ เป็นไปตามสังขารของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างภายในกายเนี่ยเมื่อมันแก่ลงเนี่ยเมื่ออายุมันมากเข้าเนี่ยมันก็เสื่อมไม่กระตั้งหูทั้งสองข้างที่เคยได้ยินมันก็ไม่ได้ยินแล้วมันก็ไปสู่ความเสื่อมแล้วไม่ใช่ไปสู่ความดีเนาะไปสู่ความเสื่อมความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมของอายุ มันก็ไปเป็นไปตามธรรมชาติคือ น, นี้ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นภายในกายเราทุกวันทุกวันเนี่ยเราได้พินิษฐ์พิจารณาอย่างละเอียดหรือยังว่าที่เราต้องปวดขาเพราะอะไรที่เราต้องปวดแขนเพราะอะไรที่เราต้องปวดหัวเพราะอะไรที่เราต้องปวดท้องเพราะอะไรทำไมเราถึงเป็นเช่นนั้น ทำไมเราไม่คิดว่าสังขารเรามันเสื่อมกายเรามันเสื่อมเขาบอกว่าสังขารเสื่อมยังไม่เท่าไหร่กายเสื่อมยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันยังสามารถปรับปรุงสามารถแก้ไขให้มันดีขึ้นได้กายป่วยเราก็ไปหาหมอ สังขารเสื่อมเราก็ดูแลมันกินให้มันหาแต่สิ่งดีๆใส่ให้มันกินให้มันทำให้สังขารเรามีแรงสังขารเรามีกําลังเพื่อที่จะมีชีวิตต่อสู้กับโลกทั้งโลกภายในและโลกที่อยู่ในตัวเราโลกที่อยู่ในกายเราเราต้องต่อสู้ทั้งสองโลกคือโลกที่น่ากลัวที่สุดแล้ว แต่การนี้ผู้ ป, ปฏิบัติธรรมเราต้องคิดเราต้องพิจารณาว่าถ้าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงวัยอันควรถ้าเปรียบมนุษย์กับสัตว์หรือเปรียบกับสิ่งอื่นอย่างที่ได้เปรียบไปแล้วลองคิดว่าความแก่เนี่ยมันมีอะไรดีบ้าง ความแก่มันไม่มีอะไรดีเลยเราลองคิดดูว่าคนแก่มีอะไรดีบ้างไม่มีอะไรดีเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นลองพิจารณาดูว่าความแก่ที่เข้ามาเยือนเราเมื่อมันถึงเวลาของเราที่เราจะต้องแก่ด้วยวัยและเวลา หาค่าอะไรได้บ้างไม่ได้เลยทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นทั้งๆ ท, ที่กายของเราเคยมีค่ามาก่อนกายของเราเคยมีประโยชน์มาก่อนแต่เอาเมื่อ <c oughs> ถึงเวลาที่กายเราเริ่มเสื่อมถึงเวลาที่อายุเราใกล้หมด ทำไมหาค่าอะไรไม่ได้เลยทำไมหาความดีอะไรไม่ได้เลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราลองคิดแล้วลองพิจารณาสิ่งที่มันอายุมันมากเกินไปความแก่ชรามันมากเกินไปมันจึงทํา ให้บุคคลอื่นมองเป็นสิ่งที่ไม่มีค่ามองเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไปเราลองคิดดูว่าชีวิตเราก็มีอยู่แค่นี้เราจะให้คนอื่นมองเห็นค่าเราตลอดก็คงเป็นไปไม่ได้เราจะให้คนอื่นเข้าใจเราไปจนตายก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเมื่ออายุมากเข้าเมื่อความแก่มันมากเข้าแก่จนจะสุกจะงอมอย่างเงี้ย ก็ไม่มีใครต้องการไม่มีใครอยากได้สำหรับมนุษย์แกเหมือนชีตะล่มอย่างเงี้ยให้ใครๆครก็ไม่อยากเอาเพราะจะดูแลไม่ไหวบัญชีพรนณีอย่างเงี้ยให้ใครไปดูแลก็ไม่มีใครอยากจะดูแลเพราะดูแลไม่ไหวเหมือนพระหลวงตาหลายๆรูปเหมือนกันให้ใครดูแลก็คงจะดูแลทะไม่ไหว ก็สังขารเสื่อมร่างกายมันเสื่อมแล้วไม่มีใครอยากได้เลยสิ่งที่เป็นความแก่ชรานี่คือของมนุษย์และถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะเป็นของสัตว์เดราชานของวัชพืชหรือเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้โดยที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันอย่างถ้าเกิดว่า แก่ฟักทองอย่างเงี้ยมีค่าแก่แฟงอย่างเงี้ยมีค่าแก่มะพร้าวอย่างเงี้ยมีค่าทำไมคนถึงต้องการทำไมคนถึงอยากได้นี่ก็เปรียบเทียบให้ฟังคือความแตกต่างความแตก <c oughs> ความแก่ของคนกับความแก่ของสัตว์ฉานแล้วก็ ความแก่ของวัชพืชหรือสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีความแก่อีกตั้งหลายๆอย่างโดยที่ผู้ ป, ปฏิบัติไม่ได้พิจารณาถ้าเราแก่ปฏิบัติเราก็จะได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเราแก่เรียนเราก็จะได้อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเราแก่แดดเราก็จะได้อีกอย่างหนึง่งเห็นไหมการแก่มันมีทั้งหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราต้องพิจารณาว่าแก่แบบไหนถึงจะมีค่าแก่แบบไหนถึงจะมีคุณค่าแก่แบบไหนถึงจะดีแก่แบบไหนถึงจะไม่ดีนี่ไม่ได้มาว่าคนแก่เนาะเพราะคนเราทุกคนย่อมแก่กันทั้ ง, งนั้น ยมเจ็บยมป่วยกันทั้งนั้นสังขารเนี่ยไม่มีสังขารใครสักคนเดียวที่จะดีขึ้นดีขึ้นทุกวันมีความสดใสขึ้นทุกวันทุกวันไม่มีมีความเข้มแข็งทุกวันทุกวันไม่มีถ้าเราคิดว่ามีเรายังหลอกตัวเองอยู่ถ้าเรายังคิดว่า เรากำลังโตกำลังเป็นหนุ่มกำลังเป็นสาวเราก็กำลังหลอกตัวเองอยู่โดยที่เราพิจารณาไม่เห็นความเป็นจริงโดยที่เราไม่รู้ความเป็นไปในสังขารของตัวเองโดยแท้จริง คนเรายิ่งอายุมากเข้ามาเขา้ า, ขายิ่งโตเท่าไรเท่าไรกายมันก็ยิ่งเสือมมเสเส่อมมากเท่านั้นสังขารมันก็ยิ่งเสื่อมมากเท่านั้นแต่เราไปคิดในมุมกลับกันเราโตแล้วเราเริ่มแข็มแข็งเราเริ่มมีแรงเราเริ่มมีกำลังแต่เราหารู้ไม่ว่าความจเจริญเติบเตของกายเนี่ยพารเราไปสู่ความเสื่อมพารเราไปสู่ความอ่อนแอพ า, รพารเราไปสู่ความ เจ็บแล้วก็ความตายในที่สุดเพราะนั้นผู้ว่าพฤตปฏิบัติต้องพินิษพิจารณาให้ดีๆมองให้เห็นเหตุไม่ว่าจะเป็นการเกิดการแก่การเจ็บ การตายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธะก่อนที่จะเสด็จออกบรรพชาหรือก่อนที่จะเสด็จออกบวชก็ได้ออกจากเมืองเสด็จไปตามเมืองต่างๆก็ได้ไปเห็นเทวทูตทั้งสี่เทวทูตที่เทวดาได้จำแรงเป็นกายมา เป็นคนที่กําลังใกล้จะคลอดคนที่กําลังนอนเจ็บอยู่คนที่กําลังคนแก่ที่เดินหลังค่อมอยู่แล้วก็เห็นศพที่กําลังเคลื่อนย้ายออกไปองค์สมมาสัม พ, พุทธเจ้าได้เห็นแค่นี้เองพินิจพิจารณา อ, อ๋อชีวิตคนเราไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดี่อย่างยั่งยืนเลยองค์สมมาพุทธเจ้าก็ พิจารณาแล้วว่าหนทางนี้ไม่ใช่หุดหงุดแน่เลยไม่มีหนทางไหนแล้วที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายองค์สมมาเพื่อเจ้าเลยตัดสินใจประพฤติปฏิบัติธรำจนบรรลุธรรมจนเข้าสู่ปรินิพานในที่สุดก็คือมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บและไม่มีการตายแล้ว ก็เช่นผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสิ่งที่เราพึงพิจารณาได้สิ่งที่เราพึงรู้ได้ก็คือสังขารของเราและก็ใจของเราถ้าเราไม่รู้ใจเราไม่รู้สังขารของเราเนี่ยต่อให้เราปฏิบัติมากไปแค่ไหนเราก็จะไม่เข้าใจเลย ต่อให้เราปฏิบัติได้ดีแค่ไหนเราก็จะไม่เข้าใจเลยเราจะเข้าใจในสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเราจะเข้าใจในสิ่งที่เราคิดขึ้นมาสิ่งที่ผู้ปฏิบัติพึงจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นภายในใจสิ่งนั้นต้องอยู่ในใจไม่ได้อยู่นอกใจ สิ่งที่อยู่ในใจกับสิ่งที่อยู่นอกใจเนี่ยคือสิ่งไหนคืออะไรก็ค่อยๆฟังไปสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ ย, ยคือสิ่งที่ออกมาจากใจเราที่มันฝังลึกๆอยู่ในใจออกมาด้วยสติและปัญญาเนาะออกมาด้วยสติและปัญญาไม่ใช่ออกมาด้วยความโกรธออกมาด้วยความโลภ ไม่ใช่ออกมาด้วยความหลงสิ่งที่ออกมาจากใจข้างในเนี่ยไม่ได้ออกมาจากความอาคาตความพยาบาทจากความปองไยถ้าสิ่งที่อยู่ภายในใจออกมาด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติละไม่ใช่เป็นแนวทางในทางที่ดีและมันจะ นำไปสู่ทางชลานำไปสู่ทางเสื่อมไม่ใช่ทางที่ดีนี่คือสิ่งที่อยู่นอกใจแล้วสิ่งที่อยูอ่สิ่งที่อยู่ภายในใจและสิ่งที่อยู่นอกใจล่ะสิ่งที่อยู่นอกใจเนี่ยก็รอบๆความคิดที่เราคิดความสับสนความกังวลความฟุ้งซ่านความถุกความทุกข์ความเศร้าโศกความเสียใจ ความอาวร์ความหวงหวาความอาฆาตความพยาบาทความปองไร้ความอิจฉาริษยาความเล่าร้อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่นอกใจย่อยแยะไปหมดเลยเราจะควบคุมทันหรือเปล่าเราจะจับมันทันหรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะนั้นสิ่งที่อยู่นอกใจกับสิ่งที่อยู่ภายในใจเนี่ย มันจะต่างกันสิ่งที่อยู่ภายในใจเนี่ยมันจะทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเรานิ่งแต่ถ้าใจเราสงบไม่ได้ใจเรานิ่งไม่ได้เราก็จะแสะแวงหาสิ่งที่อยู่นอกใจเราสิ่งที่อยู่นอกใจอะ่ะมีแต่ทำลายไม่มี การสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาเลยคอยทำลายเราทุกวันทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติต้องแยกแยะให้ออกต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็ต้องรู้ให้จริงแล้วก็ต้องทำให้ได้ถ้าเรารู้ไม่จริงทำไม่ได้แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรอย่างน้อยเราได้รู้ได้เข้าใจว่า สิ่งที่อยู่ายในใจคืออะไรสิ่งที่อยู่นอกใจคืออะไรเราต้องใช้ใจล้างใจล้างมันไปชำระมันไปถ้าเราไม่ใช้ใจล้างใจแล้วเราจะเอาอะไรล้างจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปขัดมันก็ไม่ได้ไปถูมันก็ไม่ได้ต่อให้เราทำความสะอาดใจเราทุกวันทุกวันทุกวั น, วนโดยที่เราไม่ได้ใช้ใจล้างใจเนี่ยยังไงใจเราก็ไม่มีความสะอาดขึ้นมาได้ ใจเราก็ยังมีสิ่งนั้นติดอยู่สิ่งนั้นเกาะอยู่เหมือนกับน้ำมันที่มันติดจานติดถ้วยอยู่เวลาเราล้างไม่สะอาดเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ใช้ใจล้างจริงๆถ้าเราใช้ใจใช้ใจใจล้างใจนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปราศจากความสโครกนี่ถ้าเราใช้ใ จ, ใจล้างใจ วู้ปฏิบัติต้องทำเช่นนี้แล้วเราก็ต้องใช้ใจคมใจในการปฏิบัติถ้าเราไม่ใช้ใจคมใจมันก็ปฏิบัติไม่ได้มันก็ทําไม่ได้ในขณะนี้ทุกคนอาจจะปวดทุกคนอาจจะเมื่อยทุกคนอาจจะลา้าทุกคนอาจจะลืมตาแต่เราลืมเอาใจขมไว้เราใช้ความคิดคมใช้ความรู้สึกคมใช้อารมณ์คมไม่ถูกต้อง และก็ไม่ได้ผลด้วยมันไม่ใช่แนวทางของผู้ปฏิบัติที่แท้จริงถ้าเรามีความปวดเราต้างใช้อารมณ์อยู่ยังใช้ความรู้สึกอยู่ยังใช้ความคิดตัวเองอยู่โดยที่ไม่ได้ใช้ใจข่มใจเนี่ยยังไงก็ยังไม่ใช่การปฏิบัติที่ถูกต้องแน่นอนการปฏิบัติที่ถูกต้องเราต้องใช้ใจข่มใจไว้ถ้าใจมันรู้ใจเนี่ย มันก็ใช้ใจได้ถ้าใจมันเข้าใจเนี่ยมันก็ข่มใจได้นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติพึงจะทำเสียมากกว่าอย่างน้อยเราข่มมันได้เรารู้มันได้ว่าในขณะนี้มันปวดแต่เราใช้ใจข่มใจว่าคือเรารู้ว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอแล้วก็ข่มไปข่มไปเพื่อให้ทันความปวด เราค่มไม่ทันความปวดเนี่ยความปวดมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เมื่อความปวดมันเกิดขึ้นอารมณ์มันก็เริ่มหงดหงิดจิตมันก็เริ่มปรุงแต่งความรู้สึกมันก็เริ่มคิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คอยทําลายเราเป็นสิ่งที่คอยทํำลายเราอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยตามไม่ทันและก็ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายและภายในใจเพราะนั้นต้องพินิจพิจารณาให้ดีๆการประพฤติปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเราก็จะรู้ใจเราก็เริ่มจะ แก่เช่นเดียวกันใจเริ่มใจเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเริ่มจะสุขจะงอมแล้วเช่นเดียวกันถ้าผู้ปฏิบัติไปเนี่ยถ้าใจเราเริ่มแก่ถือว่าดีแต่ถ้าใจเรายังไม่แก่ถือว่ายังไม่ดีใจเราเริ่มแก่ก็หมายถึงอะไรเรารู้ใจเราได้ใช้ใจล้างใจได้ใช้ใจขมใจได้ ใช้ใจเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสังขารเราได้นั่นแหละถึงจะแก่แล้วดีเนี่ยผูป้ปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ะฉะนั้นก็ให้ผู้ประบฤติปฏิบัติทำทั้งหลายได้ทำความเข้าใจได้รู้ความเป็นไปในสังขารของตน ได้รู้ความเป็นไปภายในใจของตนเพราะเราต้องใช้ชีวิตเราต้องดำเนินชีวิตของเราไปทุกวันทุกวันถ้าเราไม่เฝ้าพึงระวังใจของเราเองถ้าเราไม่เฝ้าพึงระวังกายของเราเองแล้วเราจะได้อะไรบางครั้งเราก็จะเจอแต่ความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้พึงระวังระวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากตัวเรานั่นแหละ ถ้าเราพึงระวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เกิดเหตุที่เป็นทุกข์ก็จะไม่เกิดเหตุที่เป็นโทษก็จะไม่เกิดความเจ็บปวดก็จะไม่เกิดความโกรธก็จะไม่เกิดความหงุดหงิดก็จะไม่เกิดสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วก็รู้เท่าทันตัวเอง เอาล่ะในเช้าวันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติก็นำไป พ, พินเพื่อเป็นแนวทางให้กับตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทำต่อไปในวันพุงนี้ก็จะมาต่อในเรื่องของความเจ็บ ว่าความเจ็บเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรที่ทำให้เจ็บได้อะไรที่ทำให้เจ็บไม่ได้สิ่งที่ทำให้เจ็บนี่มันคืออะไรบ้างก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต่อเรื่องของความเจ็บว่าความเจ็บมันเป็นยังไงมันทรมานยังไงมันเจ็บแล้วทำยังไงถึงจะหายมันเจ็บแล้วแกอยังไงถึงจะหายก็เดียวยังไงก็ ชาวันนี้ก็ให้ผู้ประพิปฏิบัติค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กดน้ำกับพระภิกษุสองฆ์อีกครั้งหนึ่ง